แต่ถ้าฟังไปไปบ่อยก็อาจจะเข้าใจแต่เสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่เราได้ทำาในมันก็คล่องจองและเหมาะสมสะดวกในการกระทาสะดวกในนามาปฏิบัติได้สัมผัสกับคาพูดคาพูดสิ่งที่เราได้ยินน่ะเป็นการที่สัมผัสได้โดยเฉพาะการสอนการพูดเรื่องกรรมฐาน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 เนี่ hey, เราก็เห็นอยู่กับตานี่แหละความหลงคพามันหลงก็รู้สึกตัวมันก็เท่านั้นเองแต่มันไม่หลงก็รู้สึกตัวเรื่อยไปเลื่อยไปถ้ามันเกิดเห็นขึ้นมาเห็นรูกเห็นน้ำก็เห็นแล้วก็ได้หลักได้ฐานได้หลักได้ฐานได้ทิศได้ทางเห็นรูกทุกเห็นน้ำทุกรูกโลกน้ำโลกโลกของโลกโลกของนาม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 ไข้หวัดไข่นกอะไรนั่นต้องอาศัยหมอาต้องช่วยตัวเองในโูกในโลกแบบที่เรากําหนดรูปตัวกันรูปกําหนดรูปด้วยกันบรรเทากําหนดรูปด้วยกันละมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์รูปทุกข์นามทุกข์ทุกข์บางอย่างกําหนดรูปอาคันตุกาทุกข์ทุกข์บรรเทาปวดหนักปวดเปา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 อยู่ในสีมาสมมุติสีมาพัทธสีมาอุทกเขบสีมาแต่ว่าอุทกเขบสีมาเนี่ยบางทีก็ถ้ามันจำเป็นชายแดนประเทศอื่นอ๋อพัทธสีมาด้ายาก็สวดอุสมบทกรรมได้เช่หนุทกเขบสีมาจะวัดเราสลาน้ำเป็นอุทกเขบสีมา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 ก็เลยไปบอกองคเคลมานงคเคลมานยังมีคาถายังมีศาสตร์ตนน่งที่ยังบอกไม่ได้โดยตรงแต่ว่าเธอต้องไปหาเนิ้วมือมาหนึ่งพันเนิ้วยังจะเรียนศาสตร์ตนนี้จบได้เธอเรียนเก่งแล้วาศาสตร์อะไรๆก็จบหมดแล้วแต่เธอเรียนศาสตร์นี่จะต้องไปเอาเนิ้ยมือของคนมาคนละเน้วยละเนิ้วมา ได้พันเนี้ยพันข้อเธอยังจะเรียนศาสตร์ได้ก็หมายความว่าถ้าองคุริมานไปฆ่าคนก็จะต้องถูกคนฆ่าถึงหนึ่งพันคนติดสองสามคนก็ถูกเขาฆ่าแล้ววางแผนให้ไปให้ถูกเขาฆ่าในที่สุดองคุริมานก็ไม่ถูกใครฆ่าได้คนที่สุดเป็นการหลอกจนได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าหลอกไมันก็หลอกไม่ได้ เสียเปรียบอาจารย์ก็ไม่ น, ะนี่ถ้าพวกเราที่ไหนหลอกก็อย่าไปเสียเปรียบเป็นเดือนเป็นปีพี่สูตรตูเรามาเดยก็ ซ, กซึบกัดซับไขพูดคอยพูดได้เย็นอยู่เนี่ยไม่ได้ไปอะไรใช่เครื่องขยายอย่างดีอัดเทปไปอย่างดีไม่ีหลักฐานไม่ีหลักฐานเขียนไว้พูดพันธุเท้นอาจารย์ทุ่มเขียนไว้พูดบันที่เท่านั้ น, าา เ, น, ด น, เ, น, นเดือนนั้นปีนั้นพศนั้น